สิ่งลี้ลับโดยทอเลียงพิบูรณ์จากหนังสือกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเล่มที่4โลกเล่านี้ยังมีสิ่งประหลาดมหัศจรรย์ลี้ลับอีกมากมายแม้ว่าปัจจุบันนี้ความเจริญทางวิทยาศาสตร์จะก้าวหน้าเพียงไรแต่ว่าความลี้ลับและมหัศจรรย์ในเรื่องของวิญญาณและอภินิหารก็ยังเป็นเหมือนม่านลี้ลับกั้นระหว่างโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณไม่ให้มีการติดต่อถึงกันและกันได้สะดวก ทางวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถจะหาหลักฐานในสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อคลี่คลายให้เด็ดขาดลงไปว่าจะปฏิเสธว่ามีหรือไม่มีก็ยังคงทิ้งปัญหาไว้เหมือนเส้นผมบางภูเขาข้าพเจ้าเองไม่เคยเจอในสิ่งที่ไม่มีเหตุผลมาก่อนเพราะว่าเป็นเรื่องเลหลวหลายอย่างลม้ลมๆ้มเล้งเล้งหาหลักความจริงไม่ได้ เมื่อวัยรุ่นผู้ใหญ่หรือว่าพวกเพื่อนเล่าเรื่องผีเรื่องสางให้ฟังข้าพเจ้าไม่เคยนึกเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงจังอะไรผิดกับพวกพี่น้องเธอว่าผีมีจริงอย่างฝังหัวแต่เมื่อได้ประสบกับตัวเองครั้งแรกก็เกิดความสงสัยไม่แน่ใจว่าสิ่งลี้ลับในโลกมนุษย์เรานี้มีจริงหรือไม่ยังไม่ควรจะตัดสินสิ่งใดได้ง่ายๆแต่เมื่อได้ประสบเหตุการณ์ซ้ําๆในหลายๆครั้งจึงมาคิดดูว่า ที่ไม่เชื่อนั้นก็ถูกเพราะยังไม่เคยมีประสบการณ์ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประหลาดมหศัศจรรย์มาก่อนและที่เชื่อก็ถูกเหมือนกันเพราะได้ประสบมาด้วยตนเองซ้ำๆหลายครั้งฉะนั้นการจะเชื่อหรือไม่เชื่อจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ถูกทั้งสองฝ่ายไม่เป็นปัญหาอะไรมากนะัก บัดนี้ข้าพเจ้ามีความสนใจที่จะเรียนและศึกษาในสิ่งลี้ลับซึ่งหาหลักฐานหรือว่าหลักวิชาไม่ได้ข้าพเจ้าจึงอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะพิสูจน์ด้วยของจริงมีปัญญาชนหลายท่านบางท่านก็มีตำแหน่งสูงบางท่านก็เป็นนักวิชาการและบางท่านก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ชื่อก้อง แต่เมื่อได้ประสบเหตุการณ์ด้วยตนเองในปฏิหารก็พูดไม่ออกต้องเก็บความรู้สึกนิ่งไว้ในใจเพราะคนที่รู้เห็นประสบการณ์มีน้อยคงได้เล่าสู่กันฟังในหมู่เพื่อนฝูงแม้แต่ในหมู่เพื่อนฝูงก็ต้องระวังเพราะว่าบางท่านก็ไม่สนใจซ้ำร้ายกลับขัดคอหาว่างมงายถอยหลังเข้าคลองฉะนั้นการเล่าสู่กันฟังก็ต้องหลีกเลี่ยงการโต้คารมของผู้ไม่สนใจข้าพเจ้าจึงมีเพื่อนฝูงแล้วก็ท่านที่เคารพนับถือคอยชักชวนให้ข้าพเจ้าได้ไปพบเห็นสิ่งมหัศจรรย์ บางครั้งก็ต้องเดินทางไกลไปต่างจังหวัดบางครั้งกลางดึกก็มีโทรศัพท์มาชักชวนข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าก็ติดตามไปด้วยสมัครใจอยากรู้อยากเห็นอยากศึกษายอมอดหลับอดนอนตอนตลอดรุ่ง แต่ก็รู้สึกว่าได้รู้ได้เห็นเหตุการณ์คุ้มค่าของเวลาที่เสียไปนี่ก็เป็นเพราะว่าข้าพเจ้าสนใจจึงได้มีเพื่อนฝูงคอยชักนำให้พบกับเหตุการณ์อันสูงค่าตามความรู้สึกในชีวิตและก็อดคิดไม่ได้หากข้าพเจ้าไม่สนใจแล้วก็คอยขัดคอยเยาะเยะ้ยหาว่างมงายก็คงจะไม่มีเพื่อนฝูงคนใดเขาอยากจะมาชักชวนไปประสบในสิ่งประหลาดเหล่านี้เป็นแน่แต่ก็อดนึกไม่ได้ว่า เมื่อแม่บ้านของข้าพเจ้าได้เข้าไปฟังธรรมที่วัดในวันพระก็จะมีเพื่อนฝูงคอยชักจูงไปฟังธรรมที่นั่นที่นี่ไปนั่งวิปัสสนาอาจารย์นี้เป็นต้นล้วนแต่มีผู้มีศีลธรรมชักจูงไปในทางที่ดีทั้งสิน้นและมานึกขากว่าข้าพเจ้ามีนิสัยเป็นอันธถานมาชักชวนให้ไปประพฤติชั่วเช่นเดียวกันและถ้าข้าพเจ้าเป็นโจรก็คงมีพวกโจรชักชวนแนะนําไปปล้นเพราะเห็นว่ามีนิสัยเหมือนกัน นี่ก็เห็นจาเข้าบทกฎแห่งกรรมได้ข้าพเจ้าก็เลยอยากจะเล่าเรื่องที่ได้ทราบมาบางดีท่านอาจจะพิจารณาด้วยใจที่เป็นกลางก็คงจะได้ความรู้ในเรื่องนี้บ้างไม่มากก็น้อ ย, ยวันหนึ่งในปีพุทธศักราช2508ข้าพเจ้าได้มีโอกาสพบกับท่านผู้สูงศักดิ์สูงทั้งความรู้โบราณคดีในประวัติศาสตร์และทางโลก บ่ายวันนั้นข้าพเจ้าได้มีโอกาสสนทนากับท่านทําให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้จากท่านอีกมากมายจึงคิดว่าเมื่อได้พบกับท่านผู้มีคุณธรรมสูงนั้นย่อมจะมีแต่ได้ผลกําไรในชีวิตทําให้จิตใจมีความสบายขึ้นตอนหนึ่งข้าพเจ้าได้ถามถึงเรื่องโลกมนุษย์และก็โลกวิญญาณจะมีทางติดต่อกันได้ทางใดและข้าพเจ้าก็เล่าเรื่องประสบการณ์ในชีวิตหลายครั้งให้ท่านฟังท่านก็กรุณาเล่าเรื่องชีวิตประสบการณ์ของท่านให้ทราบว่า เมื่อครั้งท่านได้อยู่ในต่างประเทศพร้อมด้วยญาติต่อมาโลกกำลังตกอยู่ในยามวิกฤตการณ์ชาติมหาอำนาจหลายประเทศอยู่ในความวิตปริษ์ประชาชนชาวโลกต่างก็หวาดหวั่นภัยสงครามว่าจะเกิดขึ้นยากที่จะหาผู้ใดที่มีจิตใจเป็นปกติไม่สะดุง g สะเทือนในสถานการณ์ของโลกซึ่งกำลังปั่นป่วนเช่นนี้ ท่านแลกยญาติได้อยู่ห่างไกลจากประเทศชาติที่รักห่างไกลบ้านเกิดเมืองนอนยามปกติก็มีความคิดถึงมากพออยู่แล้วเมื่อยามโลกปนป่วนเช่นนี้ก็ย่อมจะทวีความคิดถึงมากขึ้นความเป็นห่วงประเทศชาติแลก็ญาติพี่น้องความว้าเหวและก็ความวิปรโยคจะเกิดขึ้นเรื่องเช่นนี้ถ้าไม่ได้ประสบด้วยตนเองก็ยากที่จะเข้าถึงในความรู้สึกในส่วนลึกของผู้อื่น ท่านเล่าต่อว่าตอนกลางคืนก่อนนอนท่านได้สวดมนต์แล้วก็ขอให้วิญญาณบรรพปบรุษที่เคารพอย่างสูงขอให้ช่วยป้องกันภัยอันตรายต่างๆอย่าให้เกิดขึ้นกับพวกเขาแล้วก็คืนหนึ่งท่านก็ฝันแปลกประหลาดมาก ท่านฝันเห็นลนกล้าวในหลวงรัชกาลที่หเสด็จมายืนข้างเตียงซึ่งท่านนอนตะแคงดูด้วยความรู้สึกประหลาดใจในหลวงท่านรับสั่งว่าไม่ต้องวิตกทุกข์ร้อนในเรื่องเหตุการณ์ของโลกแล้วจะดีไม่มีภยัยฉันไม่เคยบอกอะไรที่ไม่จริง ท่านนอนตัวแข็งขนลุกไปทั้งตัวเมื่อลืมตาขึ้นก็ยังเห็นพระองค์ในหลวงกําลังเสด็จออกจากที่นั่นท่านก็มองดูด้วยความตะลึงทรงเห็นพระราชดดำเนินห่างออกไปพระวรากายค่อยๆโปร่งแสงแล้วก็ค่อยๆจางหายไปเวลานั้นเป็นเวลาสางแสงเงินแสงทองจับท้องฟ้าสว่างพอที่จะมองเห็นลายมือตัวเอง ท่านเห็นลนนกล้าวอย่างชัดเจนทั้งเวลาหลับและเวลาตื่นจำติดตาว่าทรงฉลองพระองค์คอปิดกระดุม5เม็ดแบบไทยทรงผ้าหางกระรอกพร้อมทั้งถุงน่องรองพระบาทแต่ไม่ได้ทรงพระมาลาสิ่งที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์ก็คือท่านได้เห็นทั้งหลับและตื่นแล้วเช้าวันนั้นหลังจากที่พ่อครัวแม่ครัวกลับมาจากตลาดจึงไปถามว่าซื้อได้ อ, อะไรมาบ้าง เขาก็ตอบว่าได้เครื่องในหมูมาจึงได้ขอเครื่องในส่วนหนึ่งแล้วก็ปรุงเป็นโจ๊กเมื่อเสร็จแล้วก็ใส่ปิ่นโต3ามชั้นก็จะมีองุ่นแอปเปิ้ลใส่ภาชนะอลูมิเนียมไปถวายท่านรัฐซึ่งเป็นพระสงฆ์ลังกาแล้วก็อยู่ไม่ห่างไกลจากที่อยู่นัก พระสงฆ์ชาวลังกาองค์นี้ท่านเคร่งและปฏิบัติาศาสนกิจด้วยความบริสุทธิ์เป็นที่น่าเคารพยิ่งแล้วก็ให้คนนำไปถวายบอกกับท่านว่าขอให้อุทิศส่วนกุศล น, นี้ถวายลนก้าราชการที่6ของเมืองไทยด้วยเมื่อกรวดน้ำแผ่ส่วนกุศลให้แล้วก็ได้อธิษฐานจิตว่าหากทุกสิ่งที่เห็นทั้งหลับและตื่นเป็นความจริงแล้วขอให้เกิดนิมิตให้ประจักษ์ เหตุการณ์ให้รู้ว่าโลกทั้งสองนี้เชื่อมโยงต่อกันได้และการนิมิตนี้ขอให้เกิดขึ้นกับผู้อื่นที่ไม่รู้ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้เลยเมื่อสิ้นสงสัยนี้ก็อาจจะเกิดอุปทานนําเอาภาพไปคิดว่าเป็นภาพมายาฉะนั้นหากจะเกิดนิมิตใ ด, ดๆก็ขอให้เกิดขึ้นภายใน3วันนี้และท่านได้ทําใจให้ลืมซะหลังจากที่ท่านได้อธิษฐานจิตแล้ว 3วันต่อมาเป็นเวลาเช้าน้องสาวของท่านอยู่อีกตึกหนึ่งไม่รู้เรื่องเที่ยวตามมาแล้วก็บอกว่ามีเรื่องประหลาดมากสจั์จะรีบเล่าให้ฟังเพราะกลัวช้าไปจนจะลืมคือเมื่อเช้ามืดได้ฝันเห็นในหลวงรัชการที่6เสด็จลงมาในวังหลวงทางประตูต้นสนส่งพระราชดำเนินมายังแพรที่เราอยู่หน้าพระตำหนักแพท่าราชวรดิษเรารอเฝ้าอยู่ด้วยกันในแพรนั้นในหลวงรับสั่งว่า ฉันหิวมีอะไรกินบ้างน้องเหลือบเห็นปิ่นโตอาหารอาลูมิเนียมตั้งอยู่ข้างๆแพรจึงหยิบมาเปิดดูเห็นเป็นโจ๊กเครื่องในหมูก็ตักใส่ชามซึ่งอยู่ข้างๆพร้อมช้อนนําขึ้นไปถวายเมื่อในหลวงได้สวยหมดชามแล้วก็ยื่นชามคืนมาพร้อมกับรับสั่งว่าอร่อยดีขออีกชามน้องก็รีบตักถวายอีกหนึ่งชามเมื่อสวยเสร็จก็รับสั่งว่าอยากรู้ไหมใครเป็นคนทําคนนั้นแนะ่ยเขาทําให้ฉันกินพลางชีพระหัดมาที่พี่ซึ่งหมอบอยู่ห่าง เมื่อน้องตื่นขึ้นก็ประหลาดใจจึงรีบติดตามมาเพื่อที่จะแก้ฝันแต่เช้าเมื่อท่านได้ยินเช่นนั้นก็ขนลุกสู้ขึ้นมาทันทีนึกในใจว่าสิ่งประหลาดมาสจันยังมีอยู่ในโลกนี้อีกมากนี่ก็แสดงว่าโลกมนุษย์กับโลกของวิญญาณ น, นั้นสามารถจะเชื่อมต่อกันได้ในบางครั้งบางคราวดอกกระดมัง นี่เรื่องหนึ่งในอีกหลายเรื่องที่ท่านได้กรุณานเล่าให้ข้าพเจ้าฟังหากมีเวลาข้าพเจ้าคงจะหาโอกาสเขียนมาให้ท่านผู้ที่สนใจจะอ่านได้คิดถึงโลกที่ยังมีความลี้ลับมหัศจรรย์อยู่อีกมากมายที่มนุษย์รุ่นวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้ายังไม่ได้รู้ในชีวิตของข้าพเจ้าเองก็เคยประสบเหตุการณ์ในสิ่งประหลาดมหัศจรรย์เริ่มครั้งแรกเมื่อข้าพเจ้าอยู่ในวัยอายุยังไม่ครบ20บ ครั้งนั้นจนบัดนี้ยังจำได้ติดหูติดตาหมายถึงได้ยินทั้งสียที่พูดได้เห็นทั้งรูปร่างและได้ถูกต้องด้วยการสัมผัสครั้งนั้นข้าพเจ้าได้ขับขี่รถจักรยานหรือจะเรียกทับศัพท์ว่า bicycle ซึ่งสมัยนั้นหาคำไทยยังไม่เหมาะภายหลังจึงเรียกว่ารถถีบ จำได้ว่าข้าพเจ้าขับขี่รถจักรยานออกจากถนนสี่พระยาเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเจริญกรุงเวลานั้นห้างไว้อาเวซึ่งอยู่ตรงมุมถนนสี่พระยาเป็นตึกสองชั้นหอพักแฮนเดิลหรือมือเลี้ยวก็พอดีกับตะเกียบหน้า หักตรงคนที่มีลูกปืนหลุดถาดไปพร้อมกับล้อหน้าข้าพเจ้าเสียหลักหัวคมําตําทิ่มลงมาแพอยู่บนพื้นถนนไม่ทันรู้ตัวเคราะดีเมื่อถึงพื้นถนนไหลลงก่อนหัวเพราะว่ามือเท้าลงไปก่อนจึงพ้นจากอุบัติเหตุคอหักตายแต่ข้อมือก็งอไหลก็เป็นแผลเลือดไหลข้อมือขวาเนี่ยก็ไปครูดกับถนนซึ่งโรยด้วยอิฐทําให้หินขูดกันกับเนื้อเลือดไหลโสม เสื้อผ้าขาดเปื้อนละอองฝุ่นต้องนอนแผ่ลาอยู่กลางถนนผู้คนแตกตื่นมามุงดูเพราะว่านานๆจะพบคนนอนวัดถนนให้ดูสักครั้งหนึ่งข้าพเจ้ารู้สึกตัวเหมือนกับว่าตัวเองเป็นตัวตลกไม่รู้ว่าจะวางหน้าอย่างไรถูกได้แต่ยิ้มแห้งๆหัวเราไม่ออกพยายามยืนตัวลุกขึ้นมอง เห็นแขนซ้ายตอนข้อมือโกง่งงอก็ตกใจพยายามจับนวดบีบให้มันเหยียดตรงซึ่งก็ได้ผลแต่มันก็ไม่เจ็บเห็นจะยังชาอยู่เพราะว่าพึ่งจะถูกใหม่ๆข้าพระเจ้าพยายามรวบรวมกำลัง เก็บล้อที่หลุดออกไปจากตัวรถมารวมกันแล้วแข็งใจเรียกรถลากคันใหญ่ให้เจ็กล่ารถเอาจักรยานหรือว่ารถถีบเนี่ยใส่รถเจ็กไปไม่ต้องพูดถึงเรื่องราคาอยากจะไปให้มันพ้นพ้นฝุงคนที่มุงดูเมื่อขึ้นรถเจ็กได้ก็รีบให้ลากไปเร็วๆเพราะนึกอายที่มาเป็นตัวตลกให้คนดูอยู่กลางถนนเคราะดีที่สมัยนั้นยังไม่มีรถยนต์มากมายเหมือนในปัจจุบันนี้ มิฉะนั้นข้าพระเจ้าคงจะไม่มีตัวไม่มีตนมาจนถึงปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนเมื่อขึ้นรถลากรถเจ็กมาถึงหน้าบ้านพ่อแม่เห็นสารรูปแล้วก็ตกใจจัดแจงชำระบาดแผลใส่ ย, ยาแต่แขนที่โกงนั้นไม่สามารถจะดัดให้ตรงได้แม่ได้ให้คนรีบไปตามหมอพันผ้าซึ่งเมื่อก่อนอยู่แถวบ้านต่อมาก็ย้ายไปอยู่แถวถนนสุรวงหน้าบ้านเจ้าพยาพี่ชยญาต ข้าพเจ้าเรียกแกว่าลุงผันแก่เป็นหมอที่รักษาแล้วก็ต่อแขนต่อกระดูกด้วยน้ำมนมีชื่อเสียงในทางศยศาสตร์ผู้หนึ่งในสมัยนั้น เมื่อลุงผันได้รู้เรื่องก็รีบนั่งรถเจ็กมาถึงบ้านแล้วก็รีบตรวจดูแขนของข้าพเจ้าที่โกงงอแล้วก็ใช้น้ํามันนวดและเป่าด้วยเวทมนต์คาถาแขนที่โก่งก็ค่อยๆเหยียดออกได้บ้างซึ่งก็ยังไม่ปกติเหมือนเดิมลุงผันก็บอกว่านี่เป็นหลานชายนะลุงจึงได้มาถ้าเป็นคนอื่นลุงจะไม่มาเพราะลุงไม่สบายมากที่ลุงมาเนี่ยก็เพราะว่าฝืนสังขารเพราะเป็นห่วงหลานลุงจะต้องรีบกลับแล้วเดี๋ยวจะมาใหม่ ลุงพันกระดับลาผู้ใหญ่ของข้าพเจ้าแล้วก็กลับขึ้นรถลากไปทันทีคืนนั้นข้าพเจ้าหลับหลับตื่นตื่นเพราะว่าปวดแผลที่ไหลแล้วก็ที่ข้อมือแต่แล้วพอตอนเช้ามืดข้าพเจ้าก็เห็นลุงผันเปิดมุ้งโผล่หน้าเข้ามาแล้วถามว่าเป็นยังไงบ้างหลานชายลุงเป็นห่วงก็เลยมาดูข้าพเจ้ายืนแขนที่กําลังปวดตุบๆขอให้ลุงผันเนี่ยแกบีบแขนที่ยังโก่งอยู่พักหนึ่งแล้วแกก็เป่าลมตั้งแต่ข้อศอกจรดปลายนิ้ว3ามครั้ง การปวดตุบๆก็หายแขนที่โก่งก็เกือบจะปกติอย่างเดิมข้าพเจ้าดีใจมากลุงผันบอกว่าอีกสองสาวันก็หายเป็นปกติไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจนะลุงไปก่อนนะพูดแล้วลุงผันก็ปลุบหน้าออกจากมุ้งที่ข้าพเจ้านอนข้าพเจ้านึกในใจว่าลุงพันนี่เก่งจริงๆเป่าแล้วหายปวดแขนที่โก่งก็แทบดูไม่รู้ว่าโกง่งพอสว่างดีข้าพเจ้าก็นอนอยู่ไม่ได้ลุกขึ้นล้างหน้าเช้าวันนั้นรู้สึกสดชื่นอาการเจ็บป่วยเกือบไม่รู้สึก เห็นแม่เตรียมข้าวใส่ขันไว้ตักบาดพระตอนเชา้าข้าพเจ้าบอกแม่ว่าแม่จ๋าเมื่อตอนเช้ามืดเนี่ยลุงผันแกนมาเป่าแขนแล้วก็บีบนวดให้ดูสิจะแม่แขนที่โก่งทําให้สังเกตเกือบจะมองไม่รู้แล้วแล้วก็ไม่ปวดด้วยพูดพลางข้าพเจ้าก็ยื่นแขนจูให้แม่ดูรู้สึกว่าแม่สะดุง้งแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรมากพูดแต่เพียงว่าเมื่อหายก็ดีแล้วลูก ในวันนั้นแต่พอใกล้เพลนก็มีคนจากบ้านลุงผันบอกว่าลุงผันได้ตายแล้วเมื่อคืนนี้หมดลมเมื่อตอนเที่ยงคืนข้าพเจ้าแทบไม่เชื่อหูเพราะตอนเช้ามืดข้าพเจ้ายัางได้ยินลุงผันพูดด้วยหูและเห็นหน้าลุงผันด้วยตาแม้เวลานั้นเราจะมีตะเกียงน้ำมันก๊สใช้แล้วครอบถ่ายขึ้นลงให้หรี่แล้วก็ให้กว้างได้แขวนไว้ข้างฝาห้องก็ดีข้าพเจ้าดูตัวดีวา่าตาไม่ฝาดแล้วก็ไม่ได้หลับ ไม่ได้ฝันเพียงแต่คล้ายมืนมืนหัวแล้วก็งงๆแต่สติยังดีความรู้สึกปกติซ้ําลุงผันยังได้จับแขนบีบนวดให้ตั้งแต่ข้อมือถึงข้อศอกแล้วก็คลึงลำแขนของข้าพเจ้าทั้งยังเสกคาถาแล้วก็เป่าลมลงที่แขนเย็นว่าหลายครั้งทุกอย่างเหมือนคนธรรมดาแต่แม่ข้าพเจ้าสงสัยอยู่แล้วว่าทําไมประตูบ้านยังไม่เปิดถ้าเป็นคนจะเข้ามาในบ้านได้อย่างไรนั่นคือวิญญาณที่เป็นห่วง เรื่องนี้ข้าพเจ้าเคยเล่าให้เพื่อนๆฟังมานานแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เขียนขึ้นเพราะเพื่อนๆรู้แล้วแม้จะเขียนก็ขาดความตื่นเต้นแต่เมื่อมาเขียนเรื่องสิ่งลี้ลับก็เห็นว่าควรจะเขียนเรื่องนี้ไว้ด้วยเพราะว่ายังมีผู้ที่ไม่ทราบอีกมากมายซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวข้าพเจ้าเองแต่ข้าพเจ้าก็ไม่ประสงค์จะให้ท่านเชื่อเพราะท่านไม่ได้ประสบแก่ตัวท่านเองแต่ผู้ที่ประสบการมาแล้ว ก็ไม่มีอะไรจะสงสัยอีกมันเป็นเรื่องลี้ลับที่แปลกประหลาดแม้จะเกิดขึ้นเมื่อครั้งข้าพเจ้าวัยรุ่นอยู่จนถึงปัจจุบันข้าพเจ้ายัางจำได้คล้ายกับเพิ่งจะเกิดขึ้นสดสดร้อนๆอนเพราะเรื่องนี้เกิดขึ้นกับผู้ใดแล้วยากที่จะลืมลงได้